สังโฆพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งแด่เวียาญัต์น้อยใหญ่ตั้งแต่ปฐมมาจนถึงปัจจุบันกว่าจะได้คำว่าพุทโธแต่ละพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญอันกอนั น, นตชาติ เมื่อพุโทโธเกิดขึ้นทำทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้มาก็จะนำมาประกาศเป็นคำสั่งสอนของพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธะทุกๆพระองค์ประกาศความรู้ตื่นเบิกบานมนุษย์ พวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้คาว่าความรู้ตื่นเบิกบานใช้แต่ความวุ่นวายสับสนและก็กลุ้มใจหรือทุกข์ใจหลายคนทุกจนรอยยิ้มเนี่ยไม่มีแล้วนนรอยยิ้มนี้ ค่อยๆจางหายไปหายไปหายไปในที่สุดแต่ผู้ภาวานานะของเราจะต้องยิ้มอยู่อยู่ภายในเสมอเสมอเสมอไม่ใช่ว่าเช้า ก็อารมณ์หนึ่งบ่ายสายเย็นค่ำดึกก็อีกอารมณ์หนึ่งถ้าอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าปกติฉะนั้นผู้ภาวนาต้องปกติพุทโธธรรมโมสังโฆตื่นรู้แจ้งเบิกบานในพระสัทธรรม ร้อมทั้งน้อมนามสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมากำหนดแล้วว่าพวกเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่อมาชดใช้กรรมและวีบากนี่คือหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เรา หลายคนยังไม่รู้และยังปฏิเสธอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเราต้องบําเพ็ญบารมีซึ่งหลายคนน่าสงสารเขาไม่รู้ทั้งสองอยางที่สุดขัดข้องวุ่นวาย และมีแต่ความทุกข์ที่ถาถมมากวันขึ้นมากกวันขึ้นจนไม่รู้วิธีแก้ไขแล้วบางคนก็อยากตายก่อนวัยอันสมควรหรือบางคนทุกข์มากจนล้มป่วยลงสุขภาพร่างกายเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ ทนต่อความทุกข์ที่มากเกินแม้ใช้ับว่าเครียดคำเดียวนะก็ไม่รู้ว่าสารอะไรเนี่ยที่มันหลังออกมาเพื่อจะทำลายรูปกายอวัยวะน้อยใหญ่ให้เกิดโรคต่างๆสารพัดที่จะเกิดได้ ฉะนั้นคนที่จะอยู่จะต้องมีสาภาวะจิตที่ดีอารมณ์ที่ปลอดโปรง่งอารมณ์ที่ปลอดโปรง่งและมีอารมณ์จิตที่สบายสบายเหมือนพุทธองค์ มตรัสรูแล้วก็เบิกบานพอฟังธรรมะก็เกิดสติมีวิริยะสมาธิปัญญานำพารักษาชีวิตและก็ดูแลเรื่องจิตไม่ให้หลงตัวตนมนุษย์ ถ้าเรายึดมั่นแม้ตายไปใจของเราเองก็เหมือนยังหลงต่อในภพที่ยังต้องมาอีกฉะนั้นจำเป็นต้องเจริญสติอบรมภาวนาให้จิตเกิดพุทโธขึ้นมามีพุทโธอยู่ในหัวใจ รู้ตื่นแจ้งเบิกบานทำไมต้องใช้คำว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็เป็นอวิชชาชีวิตตามตำราท่านก็บอกว่าจะเป็นคนมืดบอดและถ้าตามความจริงของชีวิตก็จะเป็นคนที่ มีแต่ความหลงอยู่ในโลกใบนี้เสมือนไข่ดักสัตว์โมหะชาลังโมหะสมังชาลังไม่มีไข่ดักสัตว์ไดเสมอด้วยโมหะนัตถิโมหะสมังชาลังที่บอกไม่มีไข่ดักสัตว์ใดเสมอด้วยโมหะก็แสดงว่า พอไม่รู้ก็ทำได้ตามบอกว่าไม่รู้จนไม่รู้ว่าเวรกรรมนะเราสร้างไปเท่าไหร่อกุศลกรรมเกิดให้จิตหมนหมองเท่าไหร่โยมอยากเข้าใจว่ามองดูภายนอกฐานะร่ำรวยการเงินการทองการครั้งดี แต่ว่าถ้าภายในไม่เกิดกุศลเลยภายในไม่เกิดความสว่างสวัยชีวิตก็มืดบอดเดินอยู่ก็มีแสงไฟแต่มืดหนอ เดินนั่งยืนอยู่ที่ในสว่างเราก็ยังมืดคำว่ามืดคำนี้คือไม่รู้ทางที่จะนำดวงจิตให้เข้าสู่สีฐานภาวนาก็เลยหลงพอหลงมากๆกก็ยึดถือวัตถุเป็นที่พึ่งไปใหญ่เลยโยมเอ้ย วัตถุเป็นที่จับต้องอาศัยใช้สอยแต่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งแท้จริงเป็นที่อยู่อาศัยพอเราไปจับวัตถุเป็นที่พึ่งพอนานปีนานวันนานวันนา น, นานปีมากเข้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สุดท้ายก็จะลงก้อนหินก้อนอิดก้อนกรวดก้อนทรายและก็ถูกสมมุติว่ามีค่ามากมายเป็นระดับหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านแสนล้านล้านล้า น, ลานแล้วมันมีอะไรแต่ามาถามว่ารวยแล้วมีอะไรในที่สุด โอตามาเคยกำหนดตัวเองว่ารวยนะโยมบ้านก็เป็นระดับคฤรือหาดหลังโตมีคนอยู่ดูแลสี่ห้าสิบคนรวยม่ละโยมอาหารตั้งที น, นี่ร้อยชามร้อยถ้วยไม่พอต้องต่อแขนกิน ไมธรรมดานะี่นี่รวยหนักที่นอนมีทั้งสามสี่สิบห้องเอาว่าเดือนหนึ่งนอนห้องหนึ่งคืนหนึ่งอผพาเปลี่ยนวลาห้าชดุดนึกไปนึกมาจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเราทุกทุกสองสามชั่วโมงต้องเปลี่ยนชุดแล้วนอนหลับต้องตั้งนาฬิกาปลุก เปลี่ยนชุดเดี๋ยวใส่ไม่ทั่วกินวันละสักห่ารอบเดี๋ยวตายเร็วอีกแตมาบอกมันไม่ใช่อะไรที่มันเกินไปมีรถสักร้อยคันไปคันหนึ่งกับอีกคันหนึ่ง คิดไปคิดมานั่งควบสองคันเลยดีไหมแล้วจะนั่งยังไงบอกทางขานั่งเลเอา้าเดี๋ยวก็โดนผ่ามาหรอกไม่ได้ไม่ได้ไไดนั่นยิงตายเร็วเข้าอานั่งวันละคันเดินละสามสิบคันและยมว่ามันเป็นสุขไหมในที่พูดมา มันวุ่นวายหนอนะอะไรที่มันเกินตัวนะมันไม่พอดีมันใส่เสื้อหลวมโนะยมบอกว่าสบายสิกงเกงกองอยู่กับพื้นเนี่ยนะอนั่นก็ใส่ฟิตจนดึงขายังไม่เข้าเลยจะให้เข้าเอวได้หรือนี่ก็เกินไปอัตคัดขัดสนสืดเครื่องจน ลำบากออคนมีความสุขคือคนที่รู้จักความพอและความประมาณที่เราว่าสมควรแก่เราด้วยเหตุสบายนอนหลับไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนเช้าเลยปลุกทีเดียวครื่ง พอกลิ้งเสร็จอย่าเพิ่งเรียบลุกนะถ้าอายุมากขึ้นจะบอกวิธีให้ค่อยๆขยับลืมตานอนนิ่งสักสองสามสี่นาทีแต่ไม่ใช่หลับต่อนะเออแล้วค่อยพลิกตัวค่อยลุกขึ้นเพื่ออะไรให้เลือดลมเส้นสายขยับขยาย ห, หมุนเวียน ให้ธาตุมันปรับเส้อหน่อยไม่ใช่เด็กจะลุกขึ้นพรีพรามไม่ได้เดี๋ยวเซเกิดลมขึ้นมาอันตรายนะอ้าวยอมลองลุกพลดพลาดบางทีหน้ามืดเวบอตะมาก็ว่าบ่อยเหมือนกันนะแต่ต้องรู้วิธีก่อนเขาเรียกวอมอัพต้องต้องอุ่นเครื่องซะก่อน แล้วค่อยๆลุกเดินไปทำอะไรที่นี้สบายแล้วล่ะแต่ไม่ใช่โยมปลดลุกตื่นปั๊บลุกขึ้นปลดผลาดโซเซเกิดพลาดไปล้มหัวไปทิ่มของแข็งเข้าไม่ได้บางคนเดินโซเซไปว่าเข้าห้องน้ำเนยสะดุดลม้มนะต้องค่อยๆแต่ไม่ถึงกับว่าขวายย่างนอ้อง ไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นเอาสติกำหนดรู้ในอิรียบทใช้ได้แล้วพอของจริงเราฝึกเอาสติไม่ใช่เอาฝึกท่าทางที่เราฝึกใหม่ๆบางคนบอกควายยางนอสายยางนอยืนนอเมื่อก่อนฝึกกัน นั่นเขาเรียกว่าฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันก่อนแต่ฝึกไปฝึกมาของจริงเนี่ยเราเอาแค่สติรู้กายไปในกายจบละอากับกิริยาบทน้อยใหญ่เนี่ยไม่สำคัญล่ะจะทำอะไรขอให้รู้ตื่นมีสติระลึกได้ใช้ได้ฉะนั้นถ้าเรา ไม่ระมัดระวังเกิดความประมาทก็จะหลงวัตถุแล้วไม่รู้จักคำว่าประมาณทีนี้ยมจะทุกข์แล้วนะ่ะทุกข์มันเกินแล้วมันวุ่นวายบอกเออมนุษย์หยุดไม่ได้ใครจะมาหยุดชุดไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องปล่อย ในที่สุดอวิชชาตันหาอุปทานจะเข้ามาห้อมล้อมแล้วก็ข่อคุมมีแต่ความมืดตื้อตอนนั้นมืดหนักเลยนายโยมเข้มมาเลยเนะี่ยมืดโยมเคยเห็นตอนที่ฝนจะตกไ้ยบางทีแบบโอโหคลืมจนมืด ยิ่งกว่ากลางคืนอีกมองไม่เห็นทางแล้วแต่ก็ยังเดินคนไม่รู้ทางและยังเดินถามแต่ว่าเดินไปไหนในครั้งหนึ่งอาตามาไม่เห็นทางแตมาต้องหยุดก่อนมันเหมือนฝนตกหนักมองอะไรไม่เห็นเลย ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าจอดแล้วปลอดภัยนะจอดไม่ถูกไปจอดอยู่ริมทางรถเขาคิดไม่ถึงว่าจะมีรถจอดอยู่ริมทางไม่ได้นะต้องขับแต่ต้องช้าๆแล้วก็เปิดไฟอย่าไปเข้าใจว่าเรามองเห็นแล้วคนอื่นจะเห็นเราน้องต้องเปิดไฟไว้ตอนสลัวสลวช่วงพบคำนะ่ำมีรถอยู่หลายคัน ขับไม่ยอมเปิดไฟไฟลีหรือไฟอะไรก็ตามหรือไฟตัดหมอกต้องเปิดไว้เขาบอกเขามองเห็นไม่ต้องเปิดเข้าใจผิดคนอื่นเขาอาจจะมองไม่ชัดมันโพสเพต้องเปิดเปิดก็ไม่ได้กินพลังงานอะไรมันก็ใช้เหมือนเดิมเปิดไฟเปิดไฟต่ำเปิดไฟตัดหมอกให้เขาเห็นไม่ใช่เรายังพอเห็นอยู่นั่นเราพูด ไม่ใช่ขับคันเดียวนะเหมือนฝนตกหนักมองไม่เห็นก็ชะลอตอนนั้นต้องหาแสงสว่างเป็นที่พึ่งอัตมาเจอแล้วความมืดยมน่ากลัวจริงๆมองอะไรไม่เห็นเลยไม่มีที่พึ่งคนนี้เห็นดาดเดินเดินควักควกันไปหมด เราเหมือนอยู่กันแบบเราไม่มีจุดหมายเราไม่รู้ปลายทางแล้วก็เราไม่รู้จุดที่จะเริ่มต้นอีกโอนหนักหนักนะจุดเริ่มไม่รู้จุดหมายไม่มีปลายทางที่ไหนตอบไม่ได้ครั้งหนึ่งอาตมาเข้าไปในวังวนอย่างนี้มืด แล้วทำยังไงกว่าจะได้ยินคำว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆมันก็ฟุ้งซ่านทุกข์มากเราทุกข์ที่เราไม่รู้ทางจิตบิญญาณเราจะไปไหนโลกนี้ให้อะไรกับมนุษย์บ้างมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงมีแต่แย่งชิง มีแต่สมมุติกันไม่กี่ปีก็จากกันไปหมดสิ่งเหล่านี้หรือคือผู้มีปัญญาต้องมาคล้องแวะแล้วก็หลงติดอยู่ที่มันมากเกินจากความเป็นจริงจะมาก็นั่งกำหนดทางนี้ไม่ใช่หรอกเหมือนพระพุทธเจ้าโยมที่ ครั้งครั้งที่ยังเป็นเจ้าชายอยู่ตอนออกพระพาตอุทยานเสด็จออกในระหว่างที่พระองค์เสด็จพระพาตอุทยานอันเป็นรมนิยสถานว่าจะเพลิดเพลินจเจริญใจเช่นหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้เห็นสัจธรรม เห็นแก่คนแก่สันงกงกเงินหูตาฟ้าฝากเห็นคนเจ็บร้องครวญครางด้วยความเจ็บทรมานอันมีเวทนากล้าและก็เห็นความตายความตาย มีผู้ร่ำไรรํำพันร้องห่มร้องให้โศกาปริเดวทุกขโทมนัสอุปายะดูปายาสะร้องห่มร้องให้กันพี่ไรรํำพันกันโศกาอาดุลร้อง เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเมื่อได้ทรงทอดระเนตแล้วเมื่อทรงรู้ได้เลยว่าเราก็ต้องเป็นเช่นนี้น้อมชีวิตจิตไปสู่ธรรมตรงนั้น เห็นความตายเห็นความเจ็บทุกขเวทนาและเห็นความแก่ชาราทาั้งที่พระเจ้าสุโธธนะก็พยายามปกปิดเรื่องเหล่านี้ไว้เอาแต่หญิงสาวเอาแต่คนหนุ่มสาวมาห้อมล้อมไว้ไม่ให้เห็นคนแก่คนผมหงอกคนผมขาว สุดท้ายก็ปิดความจริงไม่ได้เจ้าชายสิทธัตถะพอได้ทอดพระเนตรแล้วมีจิตอันน้อมไปในธรรมเหลือไปเห็นสมณะผู้สงบกำลังเข้าชาญ สติระลึกจิตรู้เลยว่านี่คือความดับเย็นคำเดียวนี่คือความดับเย็นนิชขาโตโปรินิพุโตปิดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนี่แหละคือทางพ้นทุกพระองค์จริงเกิดความคุ้นคิดปริวิตตก ในราตรีแห่งอันยาวนานที่ไม่ได้นอนไม่ได้บรรทมได้ น, นึกถึงเทวทูตที่ได้เห็นจิตไม่น้อมไปสู่กรารไม่น้อมไปสู่ราคะไม่น้อมไปสู่เครื่องดีสีตีเป่าไม่น้อมไปสู่การร้องรำทําเพลง วันนั้นพระหาลุไทยของพระองค์น้อมลงสู่ธรรมแล้วโย่ที่เรียกว่าเทวทูตสี่เห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายเห็นสมณะสารูปอันมีปกติวิสัยแห่งการเสพอยู่ด้วยความสงบแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ อึกกะทึกคึกโครมเหมือนคนไม่มีสติดื่มน้ำจันกินน้ำเมาขับร้องเต้นรำกันมองไม่เห็นสาระผู้แก่เจ็บตายเหตุเช่นไหนลืมชีวิตไม่ได้สร้างกุศลกันเลย พอระลึกได้อย่างนี้พระองค์ก็ไม่ยินดีแล้วในที่สุดก็ออกผนวดหกปีผ่านมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำธรรมมาโปรดพวกเราทั้งหลายจากนั้น ผู้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนาทั้งหมดถ้าเรายังหลงที่พระพุทธเจ้าละทิ้งมาตั้งหลายพันปีแล้วโนะยมมายินดีอยู่กับความกินยินดีอยู่กับกามความกำหนัดยินดีอยู่กับชื่อเสียงลาบยศสรรเสริญ ที่เราไปติดมันนะสุดท้ายสิ่งสมมุติเหล่านี้เนะี่ยจะทำให้เรานน่หลงแล้วก็ขาดสติยมเห็นหรือเปล่าคดีความที่เกิดขึ้นมากมายในโลกใบนี้เกิดจากอำนาจแห่งการทุจริตความโลภ ความหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เกิดเรื่องขึ้นมาอย่างมากมายสุดท้ายก็เบียดเบียนกันให้ร้ายกันทำลายกันแล้วก็ไม่มีใครในที่สุดได้สิ่งสมมุตินั้นไปจริงๆ เขาก็อุปโลกให้ถ้าเป็นทางราชการเขาก็ให้60สปีถ้าจะได้ก็ได้ตอนท้ายๆตำแหน่งใหญ่ๆสองสมสี่ 2, 3, ปีก็เก่งแล้วก็ปลดกเกษียณถูกหรือเปล่าจะตำแหน่งไหนก็ตามสูงสุด60ก็ปลดอำนาจ มันก็ไม่ถาวรชื่อเสียงเกียรติก็ไม่มั่นคงแต่ยามที่เราจะจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งเลยผู้ภาวนาต้องกำหนดแล้วพอรู้เสร็จพระพุทธเจ้าสละละมาตั้งหลายพันปีแล้วพวกเราอย่าไปหลง อย่าไปลงมีสมมุติแต่อย่าไปติดมันเรามีแขนมีขามีอวัยวะน้อยใหญ่เราใช้เขาแล้วก็ดูแลรักษาเขาแต่อย่าไปติดยึดแต่ามารู้หน้าที่้วบำรุงรักษาเขาให้ดี แล้วก็ใช้ให้เกิดสาระเกิดประโยชน์นำพาเข้ามาบําเพ็ญปฏิบัติกําหนดธาตุสี่ที่เรานั่งในกองรูปเนี่ยให้เห็นเป็นอนิจจรให้มองเป็นทุกขักง และให้มองสุดท้ายมีความแตกเสื่อมช้าหลายโยมไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปดีใจหรือเสียใจกำหนดไปตามสมภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่มาไม่รีบแล้วคุณจะแก่ก็คุณค่อยๆแก่ไปคุณจะตายเมื่อไรคุณพร้อมคุณก็ตายซะ อา้าวก็ในเมื่อเราห้ามกันไม่ได้แก่เจ็บตายนะมันเป็นของคู่ตั้งแต่เริ่มเกิดธมาบอกเอเอกำหนดแล้วไม่ตกใจไม่ตกใจเพราะอะไรยอมทราบหเพราะเวลาถ้าเราจากโลกนี้ไปเราไม่ได้ไปตัวเปล่าเปล่าธรมามีอริยสัพ์ นับไม่ทวนตาลายเลยละย่ะโยมเอา้าจา์สมชาติเนี่ยรวยซสียไม่มีอริยทรัพย์ใจมันแม่น้ำเลยล่ะโยมรวยรวยรวยแล้วก็รวยรวยรวย เรามีอริยทรัพย์ครั้นมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเราก็ไม่แห้งแลง้งยามจะจากโลกนี้ไปเมื่อกำหนดจิตแล้วมีแต่ความร่มรืน่นอันเป็นแด น, กนเกษมใครละไม่อยากจะไปอย ไอ้ที่โยมไม่อยากจะไปเนี่ยโยมโยมโยมกลัวใช่ไหมกลัวจะไปเจอหนามที่เจอกลัวจะไปเจองิ้วที่ไม่ใช่งิ้วที่เขาเล่นงิ้วนะต้นงิ้วไงกลัวกลัวจะไปใช้เวรกรรมที่เราได้สร้างไว้พอถึงเวลาเนี่ยจิตมันไม่หลอกนะ มันจะปรากฏแสดงอำนาจของฝ่ายอากุศลกรรมให้ปรากฏแจ้งอยู่ในจิตของดวงจิตคนคนนั้นน่ากลัวนะใครนึกว่าเราบังคับมันได้เราลืมมันแล้วนิธรรมาบกเข้าใจผิดคุณลืมได้แต่กรรมวิบาก เขาติดตามผลอยู่วันนี้ที่มาไม่ถึงก็บอกว่าบุญของคนคนนั้นยังมีอยู่แต่เวรกรรมที่สร้างเขาไม่ละเวน้นเหมือนเราที่ไม่ละเว้นในสิ่งที่เราทำเออธรรมากาหนดไปกหนดมาบอกอะไรที่เว้นได้ก็เวน้นเว้นนะโยมนะพระคุณเจ้าอะไรที่วางได้ก็วางวางนะ พระคุณเจ้าเพราะเวลาทำลงไปแล้วมันเหมือนกำลังทำร้ายตัวเองทั้งๆที่เรากำลังทำลายคนอื่นนะแต่สุดท้ายเหมือนกำลังทำลายตัวเองต้องอว่อาทำไมมันเป็นอย่างนี้ ก็บอกว่ า, วากงเกวียนกงกรรกงกรรกงเกวียนสุดท้ายมันก็จะจองเวีนจองกรรมบอกเออพอรู้อย่างนี้เข้าใจชัดแล้วทําไมเราต้องมาติดสมบุติทําไมเราต้องมาหลงกับสิ่งที่ไม่เที่ยง โยมต้องถามจิตกำหนดให้มั่นตั้งให้ได้สติต้องตั้งแต่มาถามบ่อยตอนที่บำเพ็ญตักหนักหลงอะไรยึดอะไรติดใจอะไรพอใจอะไรกำหนดอะไรกำหนด ถามจิตอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันหลงอะไรกับสิ่งสมมติอีกไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็อันตรฐานแล้วยินดีอยู่กับอะไรทำไมไม่ยินดีอยู่กับธรรมพอใจอยู่กับอะไรทำไมไม่พอใจอยู่กับธรรม โอ้มนุษย์ไม่เข้าใจไม่มีอะไรยินดีที่จะอยู่เหนือกว่าการยินดีอยู่ในธรรมยสังเกตไปทางโลกผูุ้ชนเขาไม่รู้นะรม ท, ทำอะไรเขาบอกทำอะไรเขาธรรมะอะไร เ, เขาไม่รู้จริงๆนะอย่าไปว่าเขา เขาไม่รู้น่าสงสารถึงบอกชีวิตคนย่อมแปรผันสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดคือบทเรียนสิ่งภาคเพียนคือมรรคผลสิ่งช่วยตนคือปัญญาสิ่งปราถนาคือศีลทานภาวนา ่นนิานสำคัญที่สุดยอดปราถนาะคือมรรคผลนะั้นหรือผ่านนี่ไม่ใช่ความอยากนะแต่เป็นความปราถนาะเพราะว่าความอยากนี้จะไม่ได้คำนี้ดังผู้เพียรเพ่งภาวนาอยู่ทุกวัน โยมกำหนดรูปเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วอย่างกำหนดสาภาวะนามธรรมาเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วหรืออย่างกำหนดดูถ้าไม่รู้นะ่ะเราก็หลงต่อพอสุดท้ายพอแยกแย้ว่าบ้านใครบ้านมันโยมไปทางไหนบ้านเก่าโยม ไม่ใช่บ้านที่รื้อแล้วนะบ้านเก่าเก่ากว่านั้นอีกเก่าขนาดไหนโอยเก่าตั้งแต่ก่อนสร้างโนมีเก่าก่อนสร้างเออเป็นอนดีตชาติเมื่อก่อนโยมอาตะมาพูดคำนี้เป็นแต่อาตมาไม่เคยพูดแล้วก็ไม่คิดจะพูด มันเหนือวิสัยแล้วเราไม่เข้าใจในสภาพอย่างนี้พูดไปมันก็เหมันงมงายถึงบอกอยากรู้อะไรจริงๆต้องมาภาวนาแล้วภาวนาต้องภาวนาจริงๆนะจนเราสัมผัสได้ ไม่ใช่เป็นความฝันหรือว่าความหวังหรือความคิดแต่มันเป็นหนึ่งในจิตภายในจิตที่มีสภาวะให้เกิดความรู้ในลักษณะธรรมที่มาภาวนาปฏิบัติแล้วก็เป็นปัจจดตตังคือเฉพาะรู้ ก็คือรู้เฉพาะตดไม่ใช่เฟอ้อฟะฟุงซ่านแล้วก็พูดได้รำคาญไม่ใช่ตมาไม่ชอบยืดเยื้อเยินเยอะเลาะและละรวมย่อย่อนโมเมตมาไม่มีนิสัยอย่างนั้นหนักแน่นจริงจังกดทนเข้มแข็งฝาฟันบากบัน่นสู้ สู้เท่านั้นจึงจะได้พบความหวังและความฝันไม่ใช่ทอนะสู้สู้แบบมีขันติบารมีด้วยสู้แบบมีเมตตาธรรมด้วยต้องมีสองอย่างบางคนสู้มีได้ขันติขาดเมตตา บางครั้งอาจจะไปทำลายกันบางคนสู้มีแต่เมตตาขาดขันติไปไม่รอดต้องผสมประสานสองอย่างสู้ต้องมีขันติอดทนสู้ต้องมีความเมตตายึดหยุ่นได้เท่าที่เราจะพยายามช่วยให้ดินที่สุดเพราะสุดท้ายมีอุเบกขาตบ เป็นคำสุดท้ายวางเฉยอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเป็นกรรมของสัตว์นี่คือบทสรุปกอตมาพอถึงจุดหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นมันจะค้านกันสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามวิถีกรรมถึงจะเมตตายอย่างไรก็คงโปรดไม่ได้เราได้แต่แลมอง อะไรจะเกิดเราคงไม่รับรู้และคงช่วยอะไรไม่ได้วางเฉยไม่ใช่ว่าใจจืดหรือว่าใจดำหรือใจเข้มใจขาวนะณเวลานี้ต้องใช้อุเบกขาทมเป็นบารามีนิ่งสยบการเคลื่อนไหว หยุดทุกอย่างอะไรจะเกิดมันก็เกิดทุกไปก็เท่านั้นมันเป็นกรรมของสัตว์นี่บทสรุปอัตมานะเวลาภาวนามีจุดเนะี่ยบทตัดอัตมาตัดไม่มีเยื่อไม่มีใหญนะ่ตัดบัวเขาบอกยังยังเหลือเยื่อใหญ่หแต่ตมาพอถึงบทวาง มันเหมือนกับผลไม้ที่มันหลุดจากขั้วจบแล้วมันเป็นกรรมของสัตว์เราไม่มีหน้าที่ต้องแบกถ้าเราถึงจุดหนึ่งไม่เข้าใจสภาวะธรรมเราสับสนแล้วเราไปไม่ได้ ฉะนั้นปัญญาบารมีเนี่ยมันละเอียดอ่อนถ้าความคิดมันเปลี่ยนได้นะวันนี้คิดแบบหนึง่งเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่พอมีคนมาบอกเออฉันว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอฉันนึกว่าใช่อีกคนบอกฉันว่าใช่เหรอใช่เหรอเหรอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้าย มันไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าปัญญาเนี่ยคือมันบอกว่าสิ่งนี้แหละดีที่สุดณเวลานี้ณตอนนี้ถึงบอกเออคนภาวนาเราเข้าใจหนึ่งสถานที่แค่ไหน สองเข้าใจบุคคลเพียงใดสามเข้าใจการเวลาขนาดไหนที่บอกออสถานที่บุคคลการเวลามันเป็นองค์ประกอบของชีวิตบางคนเก่งแค่ศิลปะเรียนรู้วาดภาพทายรูปเป็นการปั้นขึ้นมา แต่คุณไม่รู้ว่าบุคคลสถานที่เวลาการสมัยเนี้ยเหมาะกับอะไรที่สุดเอาเวลาจะไปเที่ยวฤดูการไหนน่าจะไปประเทศไหนดีช่วงเช้าควรจะไปไหนช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงสาย มีแดดมีฝนมีลมสารพัดโยมต้องเข้าใจท้องฟ้าเหมือนกันเข้าใจแผ่นดินเฉแฉะแค่ไหนแห้งแรงแค่ไหนทุกอย่างก็จะสอนเราหมดถึงบอกชีวิตนะั่นแหละคือศิลปะงดงามที่สุดและก็น่าขยะขยงที่สุดเรื่องจริงนะ่ะ ออพอยิ่งเข้าใจพอผู้เราบุคคลโยมว่าเหมือนกันหรือร้อยคนพันคนล้านคนเนี่ยเอาสีมาตั้งเลยโอ้ไปกันคนละทะเลเลยโยมจะไปฝั่งไหนก็โยมไปเถอะนานาจิตตังฉัน โยมต้องรู้อุปนิสัยอีกเหมือนการเลี้ยงต้นไม้การเลี้ยงสัตว์ต้นไม้บางชนิดชอบน้ำแสงลำไรเห็นไหมบางชนิดปล่อยธรรมชาติได้บางชนิดออกดอกออกผลในฤดูการไหนโยมต้องศึกษาแล้วก็ชอบ ดินฟ้าอากาศแบบไหนชอบสบภาพยังไงอีกบอกเออมันสำคัญเนาะบางคนเขาเรียกว่าดอกไม้เมืองหนาวทำไมต้องแยกด้วยหรือมันเหมาะกับภูมิประเทศสภาพอากาศแล้วก็ช่วงเวลาแต่บอกเออมนุษย์ นิสัยจิตใจก็ไม่เหมือนกันเอาพี่น้องต่างกันฟ้ากับเหวก็มีบางทีน้องก็เป็นผู้ให้พี่ก็เป็นแตผู้ขออย่างเดียวบางทีพี่เป็นผู้ให้น้องก็เป็นผู้แย่งชิงตลอดบอก่กเออพ่อแม่เดียวกันแท้ๆสอนก็สูตรเดียวกันกินก็อาหารสูตรเดียวกันแล้วทําไม มันเป็นคนละทะเลกันได้ออมนุษย์บุคคลยากแท้ที่จะยั่งถึงยากแท้ที่จะเข้าใจด้วยทุกคนยมเข้าใจหรือถ้าไม่เข้าใจอยู่ร่วมกันความสุขไม่มีบางคนหนักก็ไม่ยอม เบาก็ไม่เอาถึงบอกสามัคคีแตกร้าวช่วยเหลือหรือว่าแย่งชิงมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจและอยู่กันยังไงแตามาบอกซับซ้อนซ่อนเงื่อนมนุษย์เข้าใจก็ยากยาก ยากจึงบอกยิ่งภาวนาเท่าไรจิตมนุษย์โยมต้องกำหนดให้ได้โดยเฉพาะจิตใจของตัวเองโยมอยากเข้าใจว่าเราเป็นนางเอกนะแต่ามาไม่เชื่อหรอกบางโอกาสก็เป็นนางมาร น, นะคิดร้ายๆก็เป็นนะ ยอมเชื่อหรอว่า ย, ยมเป็นนางเอกเอางั้นกราบตัวเองได้สิถ้ามาไม่เชื่อว่อายมกราบตัวเองได้เต็มเต็มที่ไม่ถือบอกเออใครที่ว่าดีๆที่นึกว่าตัวเองดีกราบตัวเองงามๆรักษาครัาบมันค้านกันนะตัวของตัวเองบอกฉันยังกราบตัวเองไม่ลงเลย ลฉะนั้นยิ่งปฏิบัติภาวนาเท่าไหร่โยมต้องกำหนดจิตไปเรื่อยแล้วก็ดูสุดท้ายโยมก็จะตอบว่าทั้งหมดเป็นของสมมุติเราต้องรู้จักละรู้จักว่าไม่อย่างนั้นจิตของเราจะหลงและตายไป เหลือแค่คำว่าอัตตาตัวตนยมไม่ได้คำว่ายอดคนไปเลยไม่แต่น้อยพุทธโธธรโมสังโฆยมไม่ได้ไม่ได้ก็ถึงบอกว่าเกิดมาด้วยเหตุผลหนึ่งที่จะมาบอกด้วยเศษกรรมวิบาก ท, ที่มีอยู่ชดใช้ อีกเหตุผลหนึ่งเพื่อมาสร้างบารมีให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งวัตถุก์อันมีอยู่น้อยใหญ่ตอนนี้โยมกําลังใช้กรรมหรือสร้างบารมีหรือตั้งใช้กรรมแล้วก็สร้างบารมีกําหนดณนะเวลานี้สถานที่นี้แล้วก็บุคคล ยังเบียดเบียนกันอยู่หรือเปล่าบางคนอยู่เป็นคู่เวรคู่กรรมน่าสงสารนะโยมไม่หมดสิทีทะเลาะกันได้ทุกวันขึ้นบึงบึงกูกูหนักหนักเข้าบางทีก็เป็นสัตว์บางทีก็เอาโคตมามาเล่นกันเอาของพ่อของแม่มาดา่ามาว่ากันบอกโอ้ทำไมต้องเอาเบื้องสูง บิดามารดาบรรพบรุษเขาไม่เกี่ยวกันนะกิเลสมนุษย์ทำไมต้องไปรบกวนคนตายแล้วขุดมาด่า ก, กันทำไมอีกมนุษย์ยังหยาบอยู่ทบอกยังไม่กำหนด ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติภาวนาตรมะวาจิตมันต้องสัมผัสได้หนึ่งยมจะสัมผัสว่าเรามีจิตที่สงบมากกว่าที่เคยเป็นมาแล้วสองจิตเราเกิดสมาธิไม่ฟุ้งซ่านสามจิตของเราเกิดกุศล ทั้งกุศลธรรมและกุศลแห่งการสร้างบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาพอยิ่งกำหนดปฏิบัติภาวนาไปเนี่ยถ้าโยมยิง่งรู้ถึงอริยทรัพย์พอเกิดขึ้น เกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่ภายในนะยมรู้แล้วว่าศรัทธาทำให้จิตใจอิ่มเอิบศรัทธาเนี่ยเป็นอาหารนะทำให้จิตใจอิ่มเอิบสมาธิทำให้จิตใจมั่นคงความเพียรพยายามพยายามรักษาความดีไม่ให้เสือ่อมความอดทนอดกลั้นเป็นตำบา เพื่อประคองจิตทนในสิ่งที่ผู้อื่นทนไม่ได้นั่นแหละคือตบาและก็เป็นบารมีด้วยสุดท้ายก็คือปัญญาเรารู้ในสิ่งที่รู้แล้วหรือสิ่งที่ควรรู้ไม่ว่ากองสังขารเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นขันเป็นกายเป็นจิตเป็นชีวิตหรือธรรมะ โยมสามารถสัมผัสกับมันได้ไม่ใช่สัมผัสด้วยมือแต่ใช้ชีวิตดวงจิตนั้นสัมผัสอ้าโยมอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องหยาบเป็นวัตถุต้องจับต้องเฉพาะวัตถุต้องมองเห็นด้วยสายตาเนื้อบอกเข้าใจผิด โลกภายนอกยมเห็นแค่ครึ่งเดียวเองแต่โลกภายในเนี่ยธรรมะว่าไม่มีมากกว่าด้วยซ้าไปที่พวกเราเห็นดีไมด่ดีแค่หนึ่งในส่วนสี่อาจจะไม่ถึงแค่ครึ่งด้วยซ้าไปแต่ถ้ายมเห็นโลกภายในเนี่ย โยมสังเกตไหมมนุษย์จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งด้านความคิดทั้งด้านสมองทั้งด้านจิตใจออกมาเป็นพลังงานเป็นเทคโนโลโยีออกมาเป็นสารพัดที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่ออกมาจากทางร่างกายนะเราเออมนุษย์เราอาศัยโครงสร้างสรีระ แต่สิ่งสำคัญคือสมองปัญญาความคิดชีวิตจิตใจยมจำนะปัญญาความคิดชีวิตจิตใจรู้ซึ้งแก่ไข ค, คนนั้นชนะแล้วชนะ เริ่มต้นคือชิตังเมชนะหัวใจตัวเองเข้าใจแล้วคนนี้จะไม่ร้องให้ด้วยความเสียใจอาจจะตื้นตันใจบ้างเป็นบางครั้งแต่จะไม่ร้องแบบโฝมายไม่ร้องสติระลึกอยู่ตลอดอ น, นั้นอ้ิสงของการภาวนา โยมกำหนดดีๆวันไหนโยมรู้ถึงโลกภายในบอกโลกภายในซึ่งอยู่รู้บ้างไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่จิตแล้วทรงดำริออกมาทั้งหมดให้เป็นศิลปะการดำรงการดำเนินการใช้สุล้วะให้วางพระพุทธเจ้าเราไม่ธรรมดานะ แสดงทำให้รู้จักดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแล้วก็ละวางชีวิตเพื่ออะไรเพื่อเราไม่ต้องแบกความทุกไปสู่ความตายและไม่ต้องแบกความตายที่ไปเกิดอยู่กับความทุกข์อีกแต่พอมนุษย์ไม่เข้าใจไม่รู้ก็ปฏิเสธเข้าใจแค่วัตถุโอ้ตัมมา สิ่งสมมติเราก็รู้กันอยู่ถ้ามันดีกว่านั้นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะคงไม่ทิ้งสละละทรัพสมบัติถูกไม่โยมก็พระองค์แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าธรรมดีพระองค์ตรัสรู้มาแล้วก็ยืนยันอีกแม้แต่ลูกชายก็ให้บวช อาตมาเคยนั่งกำหนดถามว่ามีพ่อแม่คนไหนระหว่างให้ลูกเป็นสัมมาเดนกับเป็นพระราชาเนี่ยให้เลือกเป็นอะไรล้านคนทั้งล้านคนบอกให้เลือกเป็นพระราชาอยู่เหนือคนทั้งหมดในแผ่นดินในแว่นแคว้นนัน้ น, นในเมืองนั่นนั้นมีไหมล่ะบอก มหาบพิษจะให้องค์ชายเป็นอะไรบอกเป็นเนนน้อยเนี่ยนะไม่มีก็ให้สืบสันติวงศ์ต่อสืบเชื้อ ส, สายในตระกูลแห่งบรระกษสัตว์แต่พระพุทธ เ, ทเจ้าหยุดราหุนไว้แค่ตรงนั้นเราจะให้อริยทรัพย ให้โลกูตระแก่เธอภาษาเลบุตรก็เป็นพระที่บวชให้เป็นอุปชาให้โอ้โหพระเจ้ญญาสุโทตนะปอดทราบมันอกจะระเบิดเอาลูกบวชลูกบวชพ่อก็ยังไม่ว่าพ่อจะเอาหนอเส้นหน่อยดันเอาหลานของพ่อมาบวชอีกโอ ลมจะกินเห็นไ้ยโยมเราเออสุดท้ายพระเจ้าสุดโทชนะก่อนที่จะสิ้นชีวิตหรือสวนาคตนอนพนมมือน้อมรับพระสัทธรรมน้อมจิตขึ้นสู่ธรรมน้อมธรรมยกขึ้นสู่จิต ปล่อยวางชีวิตเข้าสู่ธรรมบรรลุเป็นอาหารหันต์ก่อนที่สวรรคตรสุดยอดเลยยสุดยอดเลยใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจริงสร้างบารมีมาไม่น้อยจนเป็นพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระ เป็นอ拉หันบุคคลยังไม่ได้บวชนะแต่เป็นาราหารัตแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเราเนี่ยนะไปดูในประวัติใครที่บรร ล, ลุ阿拉หันที่เป็นคาลิหัตอยู่ไม่เกินเจ็ดวันต้องบวชนะถ้าไม่บวชคือตายอย่างพระเจ้าสุโธธนะกะสวรณคตพาหิยะ ก็สิ้นชีพแต่ใครที่บรรลุสวนมากจะบวชท่านั้นเลยยะนี้บวชนะก็อยู่ต่อไปสังเกตดูที่ผู้ไม่บวชพอบรรลุเสร็จสวนมากก็จะสิ้นไปเพราะทางตรงนั้น ไม่คลองกับนิสัยของปุถุชนคือไม่เข้าไปสู่วังวนแห่งสังโยชน้อยใหญ่ที่เป็นเครื่องรัฐมัดสัตว์ให้ติดอยู่กับภพบน้อยใหญ่ไม่ว่ากินกามเกียดโลภโกรธหลงอย่างนี้เป็นต้นโยมก็เหมือนกันใครก็ตามพอบรรลุเสร็จจะรู้ตัวเองถ้าไม่บวชก็แสดงว่า เรียดับขันได้แล้วเขาไม่ตายนะเ็าดับขันพวกเราตายแล้วเกิดแต่ดับขันแล้วไม่เกิดแล้วไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่มาบอกความตายคือจุดเริ่มแห่งความเกิดเท่านั้นเองยมระวังนะเลือกเกิดให้ดีก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ ขอเจริญพร